พระธรรมเทศนาแผ่นที่52ลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18ดตุลาคม2555หห้ามีชื่อเรื่องว่าวิธีปลูกจิตใจให้ออกผล วันนี้เป็นวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2555เมื่อวานหลวงพ่อฉันจังหันเสร็จไปวัดดงสีชมพูไปปรึกษาปารพเกี่ยวกับการสมโพธหรือฉลองเจดีจังหวัดร้อยเอ็ดที่สร้างที่หลวงพ่อเคยพูดว่าเสียสมหมายร้อยเอ็ด ขออนุญาตจะองค์หลวงตาสร้างพระเจดีย์หลวงตาอนุมัติอนุญาตเพราะเป็นทุนทรัพย์ของเขาแล้วก็ได้ก่อสร้างหูใหญ่นะใหญ่มากเนื้อที่40ิไร่ถ้าคิดรวมทั้งเนื้อที่เข้าไปแล้วจะป่าเข้าไปถึงสองสามล้านกำมังแต่เฉพาะเจดีย์อย่างเดียวก็ปลาเข้าไปถึง200ล้าน ขออนุญาตจะองหลวงตาหลวงตาอนุมัติอนุญาตแล้วก็ขอไปสร้างหลวงตาก็ตั้งชื่อว่าเจดีมหามงคลบัวคือบอกว่าเป็นของหลวงตาของเรานะ่ยบัวเจดีมหามงคลบัวจากนั้นก็เริ่มก่อสร้างมาที่วันในช่วงที่หลวงตายังทรงทาต์ขันอยู่โคงสุดท้ายเนี่ย คิดว่าจะถวายท่านให้ได้ให้ทันแต่พอดูแล้วการตกแต่งภายในหรือว่าอาคารที่เขาซ่อมที่เขาสร้างขึ้นมาไม่เรียบร้อยออถวายทั้งที่รู้รู้ว่าไม่เรียบร้อยก็ถวายองค์หลวงตามันคล้ายๆว่ามันจะไม่เรียบร้อยในใจของผู้ถวายอีกเหมือนกันเพราะนั่นก็เลยซ่อมให้เสร็จก่อนซ่อมให้ดีซะก่อน พอส้มให้ดีลงตาก็จากไปก่อนเอก็เลยเมื่อนลงตาจากไปแล้วพวกคณะกรรมการเจ้าภาพก็เลยพยายามทําให้ดีที่สุดทีนี้ดีที่สุดซะก่อนจึงจะมีการสมโพธิ์และฉลอง เ, อเจดีนี่ก็ดูดูกันคร่าวๆนะหลวงพ่อว่าไม่ต่ํากว่า200ล้านเจดีย์ เ, เจดีมหามงคลบัวเนี่ยเมืองวานในหลวง ปลูกทุยหลวงพ่อถุยดังก็เลยนิมนต์หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจุทธามเข้าไปปรึกษาว่าจะจัดการยังไงก็ตกลงกันว่าเป็นวันที่8ที่8ที่9ทธันวาห5หกะกันไว้จะจะทำแบบกรรมฐานเชิดเชิญนิมนต์ แต่ท่านก็มาให้พวกเราหนักใจเพียงจะให้อยู่วงนอกส่วนผู้จะจัดการนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมืองท่านจะจัดพวกทหารพวกอะไรเข้ามาช่วยจะให้หลวงพ่อกับหลวงพ่อชูธรรมนะเข้าไปดูห่างๆเราก็รับแนวนโยบายของท่านเมื่อวานเนี่ยก็เป็นอันว่าทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเจดี มหามงคลบัวเนี่ยคงจะเป็นวันที่แปดที่เก้าธันวาห้าห้าเป็นวันสมโพธ์อันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อก็กลับมาก็ได้มาพูดสนทนาเกี่ยวกับเรื่องวิทยุเสียงธรรมของหลวงตาด้วยเมื่อวานนีหาเรือก็เลยกลับมาถึงวัดก็ขําไป นี่แหละภารกิจธุรกิจของหลวงพ่อโดยมากก็มีแต่เรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องเรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์เป็นส่วนใหญ่แต่เรื่องกิจธุระส่วนตัวที่จะไปทำมันก็ไม่มีอะไรกิจธุระส่วนตัวจริงๆกันนั่นแหละฉันจหานเสร็จแล้วก็กลับไปกุฏิแล้วก็ภาวนานั่งภาวนาเดินโยงกลม แล้วก็พิจารณาอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกจากนั้นก็มีอะไรที่จะอ่านที่จะศึกษาก็เอาพิกตำราอ่านศึกษาหรือฟังธรรมเทศนาแต่ที่ยังไงก็อยู่กับตัวเองเนี่ยมากที่สุดนี่แหละวิธีมันไม่ยากสำหรับพระสำหรับผู้ปฏิบัติ ให้มองตนเองไว้อยู่เสมอถ้าเห็นตัวเองรู้ตนเองรู้รอบตนเองรู้ใจตนเองเลิศประเสริฐที่สุดไม่ต้องรู้ที่อื่นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากเราทั้งหมดวันก่อให้พวกเราทุกท่านนะการสั่งสมภายนอกก็มีติดต่อประสานงานก็มีแต่เมื่อประสานงานติดต่อแล้วก่นนะั้น กลับมาถึงวัดของเรากนนั้นเรานั่นละเป็นที่พึ่งของเราเรานั่นะจะทำดีทำชั่วไปสู่สวรรค์นิพพานไปตกนรกหมกไหมก็เรานั่นแหละเพราะนั้นให้แสวงหาตัวสังสมขุนงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราคนสมัยครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้า คนในครั้งนั้นเขาก็คิดอย่างพวกเราเนี่ยแหละจะทำยังไงจึงจะได้บุญกุศลมากมีพราหมณ์คนหนึ่งในกรุงสวัสถีเขามีมีฐานะอันจะกินไม่ถึงกับขั้นเศรษฐีแต่มีฐานะเขาก็คิดในใจว่าข้าพระเจ้าเนี่ยได้กราบพระพุทธเจ้า ได้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บูชาพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระธรรมเนี่ยจะรักษาจะบูชาอย่างไรเนอะจะว่าบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ได้บูชาแต่พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์แต่ส่วนพระธรรมเนี่ยเป็นนามะธรรมเนี่ยจะบูชาอย่างไงฮะนี่คนก็คิดแปลกๆเหมือนกันนะ ในครั้งพุทธกาลเน่ยเขาก็คิดขึ้นมา ก, าก็คิดไม่ตกเหมือนกันจะ บ, บูชาพระธรรมเนี่ยจะ บ, บูชายังไงแต่พระพุทธเจ้าเออตอนบ่ายก็ดอกไม้ทูบเทียนไปคารวะบูชากล่าวคํานอบน้อมพระพุทธเจ้าอ่าแล้วก็ตอนเช้าก็ถวายพระตาหารอ่าใส่บาตรทาบุญกับพระพุทธเจ้า ส่วนพระสงฆ์ก็ได้ถวายน้มปานะเพศสัตว์ถวายอาหารตอนเช้าถวายปัจจัยซีเมื่อพระสงฆ์มีความประสงค์ต้องการอันนี้ก็คือบูชาพระสงฆ์แต่บูชาพระธรรมนี่จะทำยังไงพระธรรมคำสอนแต่พระธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็เป็นสรณะ เป็นที่พึ่งของพวกเราไม่แพ้กันพระไตรสรณคมแต่เรายังไม่ได้เคยบูชาพระธรรมเลยจะทำยังไงบูชาพระธรรมพระธรรมใครจะเป็นคนมารับก็เลยเอาผ้าไตรเข้าไปผ้าไตรก็อาหารอันปราเน็ดคงจะเป็นขนมอันปราเน็หรือผ้าไตรอันปาเนิดเป็นผ้าเข้าไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ทําบุญมาโดยตลอดสม่ําเสมอแต่ได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าพระพุทธรัตนะและกับพระสงฆ์พระสังฆรัตนะแต่พระธรรมเนี่ยข้าพระองค์ไม่รู้จะทํำยังไงจึงจะทําบูชาพระธรรมพรำมรรตนะเนี่ยจะทํำยังไงจึงจะถูกต้องพระเจ้าข่านะพราหมณ์คนนั้นถามนะ พรามก็คือมีคนมีฐานะล่ารวยจะได้เข้าไปกราบถามพระพุทธเจ้าเรื่องขนาดนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะจากนั้นพระพุทธองค์ก็บอกว่าอืไปออกไปถวายพระอานุ์ไปพระอนุนคือครังพระธรรมออพระอนุนคือบรรจุพระธรรมคือพระพุทธเจ้าตรัสไปพระอานุ์เป็นผู้บันทึกพระธรรมพระธรรมคําสอนะเ ทางพระสูตรทางพระวินัยทังพระอภิธรรมพระอน์รู้หมดเกียกว่าพระอนุ์เป็นครังแห่งพระธรรมไปเอาไปบูชาพระอานุ์ไปอันนั้นคือพระอนุนคือพระธรรมแต่นี้เมื่อเอาถวายพระอานุ์พระอานุ์เมื่อได้รับแล้วท่านก็มองอีกออืผู้ที่เหนือกว่าเราเนี่ยผู้มีปัญญาเหนือเราเนี่ยคือพภาษาลิบุตร ก็เราไปผัสถวายภาษาเรบุตรภาษาเรบุตรเมื่อได้รับแล้วก็อื้อเราก็ใช่เป็นพระธรรมในระดับหนึ่งแล้วเมื่อเราเมื่อเราได้รับแล้วผู้ที่เหนือเราก็คือพระพุทธทเจ้าเป็นต้นศาสน า, ศ า, ศาเป็นต้นศาสน า, ศาเป็นผู้ประธานพระธรรมออกมาก็คือพระพุทธทเจ้าเพราะนั้นเราควรจะนํำสิ่งที่เขาถวายไปเนี่ย ไปถวายพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็เลยไปถึงพระพุทธเจ้าอีกที้เมื่อพระพุทธเจ้าได้รับแล้วท่านก็ไม่รู้จะมองหาใครอีกทีนี้คล้ายๆว่าท่านอยู่สูงสุดแล้วพระพุทธองค์ก็เลยรับพร้อมมองมองไม่เห็นใครอีกเทนี้ก็พราหมณ์ตอนนั้นก็เลยถามพระอ น, นุ์พระอ น, นุลก็บอกให้อย่างที่หลวงพ่อพูดบอกว่าท่านเป็นครั้งพระธรรมก็จริงอยู่แต่ เป็นบรรจุพระธรรมแต่ตัวพระธรรมแท้ก็คือท่านสารีบุตรภาษาสารีบุตรก็บอกว่าใช่เราก็บรรจุธรรมไวย้ยุแต่ต้นตอของธรรมคือพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าในสูงสุดไปกราบทูลถาม พ, าพระพุทธจเจ้าพราะพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีใครที่จะยิ่งไปกว่าเราเราในเหนือกว่าท่านผู้ใดทั้งหมดในขณะนี้นี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือการทําบุญ ในยุคสมัยก่อนเขาก็อยากจะได้บุญมากคือทําน้อยแต่ได้บุญมากจะทํายังไงจึงจะถูกต้องทํายังไงจึงจะเป็นธรรมเนี่อันนี้ก็คือการทําบุญแต่ท่านก็พูดไว้ในพระไตรปิฎกเหมือนกันนะท่านว่าทายกปฏิฆาหกเป็นอันตรายเป็นใล้ายาว่าเป็นไม้เบือ่อไม้เมากับทายก ปฏิฆาหกคือผู้รับทายกก็คือผู้ให้สรุปแล้วก็คือปฏิฆาหกคือฝ่ายพระไปเลียรายญาติโยมแต่ญาติโยมยังไม่มีศรัทธายังไม่มีศรัทธายังไม่ไม่อยากจะให้ไม่อยากจะให้ไม่อยากถวายแต่ว่าทายกเนี่ยปฏิฆาหกเนี่ยเป็นเป็นพิษภัยแล้วว่าเป็นไม้เบื่อไม่เมากับ ท้ายยกพูดง่ายๆลักษณะอย่างนั้นะอ่านใ น, นพระไตรปิฎกแต่หลวงพ่อก็จําศัพท์นิดยังจำสัน์สนี้ไม่ชัดเจนแต่ออกมาในลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อก็มานึกนึกในในใจของหลวงพ่อเหมือนกันอืใช่สรุปแล้วก็คือผู้รับตามว่าผู้ให้ผู้ให้ยังไม่เกิดศรัทธายัางไม่พร้อมแต่ว่าผู้ รับเนี่ยพูดให้ผู้ให้เนี่ยแนะนำให้ผู้ให้ถวายแต่ผู้ให้เนี่ยยังไม่พร้อมอันนี้ก็คือเป็นเป็นปฏิปักิต่อกันแต่ถ้าว่าผู้ให้ทายกในผู้ให้เปลี่ยมด้วยศรัทธาเชื่อมั่นในบุญในกุศลอย่างล้นเหลือเต็มใจ อันนี้กัเมื่อทําลงไปอันนี้ก็คือปฏิทขาวหกก็คือผู้รับผู้รับก็คือผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างพระพุทธเจ้าพระปิจิตธเจ้าพระหันทสาวกผู้หมดจดจากกิเลสอันนั้นท่านท่านเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วแต่ว่าเราจะให้ยังไงเราไม่ให้ยังไงท่านไม่ได้สนใจท่านเหนือกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วนะ อันนั้นก็คือเราทายกเป็นผู้ให้ปฏิคาหคือผู้รับนี่แหละสรุปแล้วก็คือชาดกเรือ่อในเรื่องนี้หลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้วคนในยุคสมัยเก่าในครั้งพุทธกาลเขาก็คิดหาความคิดแล้ว่าคิดหาแนวทางแล้วคิดหาสิ่งที่จะเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกตัวของ ของแต่ละแต่ละคนเองคือสสแสวงหาแนวทางเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายสสแสวงหาจ ะ, จะทำยังไงจึงหน้าที่ของเราจึงจะเจริญรุ่งเรืองในทางที่ถูกต้องอไม่ใช่เบียดบังไม่ใช่โคดกงไม่ใช่ว่าไปรังแกเบียดเบียนคนอื่นเขาเพื่อตัวเองจะได้สูงไม่ใช่แต่ด้วยสติด้วยปัญญาของเราเราจะทำยังไง หน้าที่การงานของเราจึงจะเจริญรุ่งเรืองไปในทางที่ถูกต้องจะทํายังไงทรัพย์สมบัติของเราที่สแสวงหาด้วยความถูกต้องจึงจะเจริญรุ่งเรืองไปในทางที่ถูกต้องอย่ก็พร้อมกันทางด้านจิตใจพวกเราก็เขาก็คิดอีกว่าเขาจะทํำยังไงเขาจะพิจารณาอะไรเขาจะทํำยังไงจะคิดยังไงเขาจะภาวนาอย่างไรเขาจะทําใจยังไง จึงจะถูกต้องจึงจะเห็นมักเห็นผลจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงโดยเร็วนอันนี้ก็คือแนวความคิดไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้หลวงพ่อเป็นความคิดแนวแถวเดียวกันแต่ถึงยังไงในหลักของพุทธศาสนาการทำบุญทำทานอันนั้นกับเราก็มีศรัทธาตามที่จะให้เบียดเปลียนตนและผู้อื่นอันนี้ก็คือศรัทธาในการทาทานเรื่องศีล ถึงยังไงก็สัมรวมกายวาจาให้เรียบร้อยอย่าเบียดเบียนตนให้ผู้อื่นแต่เรื่องภาวนาเราจะไปในช่วงไหนขยันก็ทำอาเต็มที่ถ้าว่าช่วงไหนไม่ขยันก็ปล่อยปะละเลยปล่อยจิตปล่อยใจไม่ได้สนใจเรื่องจิตภาวนาไม่สนใจเรื่องภาวนาเลยอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกต้องแต่ถึงยังไงก็ให้ทาโดยสม่าเสมอ ถึงจะอยู่มาอยู่วัดเราก็ต้องพยายามทําให้ขมักขม้นขึ้นติดต่อขึ้นเข้มงวดกวด ข, วดขันขึ้นแต่เมื่อกลับไปแล้วเราจะไปปล่อยประละเลยไม่ชนใจซะเลยอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องถึงจะกลับไปบ้านเราก็ไปทําแต่ถึงทําไม่เต็มที่เราก็ทํารักษาประคับประคองเอาไว้ในเมื่อมีโอกาส เราก็เข้ามาสู่วัดวาศาสนาเราก็พยายามทำให้เต็มที่สรุปแล้วก็คือการปฏิบัติธรรมเรื่องจิตภาวนาเนี่ยหลวงพ่อเปรียบเทียบเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เนี่แหละเราจะปลูกมะม่วงต้นนี้ละ่ะก่อนที่เราจะปลูกเราก็ต้องมองดูว่าดินที่ปลูกต้องเป็นยังไงเพียงพอไหมหรือมันมีหินไหมมีหินข้างล่างไหม มันพอที่จะยังรากลงได้ไหมเนี่เราก็พยายามมองดูหาที่ว่างและก็ดินดีพอได้ที่ดีๆแล้วมีต้นไม้คุมไหมถ้ามันใหญ่ขึ้นมานี่เป็นยังไงเราต้องดูภูมิมิทัศน์ภูมิประเทศที่มันจะเกิดของต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แต่เราก็ต้องดูศึกษาลูกเตื้องต้นไม้ตัว น, นี้อีกต้นไม้ตนนัวนี้ถ้าหากว่าปลูก ลงไปแล้วเนี่ยถ้ามันแดดเกินไปนันจะเป็นยังไงแล้วกลางแจ้งเกินไปเป็นยังไงบางต้นไม้ก็มันต้องการเพียงลง่ล้มไม่ใช่แดดมากเกินไปร่มมากจนเกินไปพอแดดสองแดดพอล่ำไรล่ำไรแต่ให้มีอากาศอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องศึกษาเรื่องการปลูกในเมื่อปลูกลงไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามรดน้าแต่สมัยมันเด็กมันเล็ก ลดน้ำใส่ปุ๋ยปุ๋ยขนาดไหนน้ำขนาดไหนจึงจะพอเหมาะจากนั้นมันก็ต้องใหญ่โตขึ้นมาพอใหญ่ขึ้นมาการลดน้ำใส่ปุ๋ยก็รู้สึกจะห่างะทนนีห่างพอใหญ่ขึ้นมาขนาดไหนเราควรจะใส่ปุ๋ยน้ำเราไม่ต้องลดหรือว่าลดเป็นบางครั้งนานๆใเราอยากจะได้ผลละมากลากไม้เราก็ลดอันนี้คือสรุปแล้วก็คือประคับประคองจนเป็นออกดอกออกผล นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันการที่พวกเราจะปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาเนี่ ย, เ, ยเมื่อเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่าครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรสมาธิกําหนดยังไงนั่งภาวนาทำยังไงไหวพระยังไงที่หลวงพ่อได้พูดใน MP ็สต่างความต่างวาระในเมื่อเรารู้จากครูบาอาจารย์องค์ไหนไหวพระเสร็จเรียบร้อยก็นั่งนี่ แผ่เมตตาเสร็จแล้วก็เมื่อเมื่อมีโอกาสเราก็นั่งสมาสมาธิหรือนั่งพับเพียบหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้ที่เหมาะสมแล้วก็ปิดวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์เสียงที่จะมาบรบกวนเราหยู่ในที่สงบที่สุดในช่วงนั้นเราหาโอกาสเอหาโอกาสตรงนี้นเหมือนกับเราจะปลูกต้นไม้นะ ไม่ให้มีอะไรปกคลุมไม่มีแดดจนเกินไปแดดเกินไปกันี่แหละเสียงรบกวนคือแดดปกคลุมก็คือ น, นั่นเสียงทั้งหลายทั้งปวงไม่สับปายะเพราะนั้นเราต้องหาหมุมที่สับปายะหลังจากนั้นเราก็ปลู ก, กจิตใจเลยตอนี้พรหาที่นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับ มือขาขวาทับขาซ้ายปนมมือก่อนไหวครูสักคนลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบแล้วลึมลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะเรานั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดเราคิดขึ้นมาได้เองเราได้ศึกษาจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า อย่างที่ว่าพระธรรมเลยคือคําสอนเราได้ศึกษามาแล้วเราก็ทําอย่างที่เราได้ศึกษาไหว้ครูไหว้ครูก่อนจากนั้นเอามือลงจากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถเนี่ยอันนี้ก็คือวิธีการการภาวนาหรืวิธีการปฏิบัตินั่งนานไหมนานเท่าที่จะนานได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้านานเราจะเห็น เห็นทุกเวทนาของตนเองถ้าเห็นทุกเวทนาเรารู้ได้ว่ากายกับใจนี่ยใจกับกายกายกับใจเนี่ ย, ยมันอาศัยกันอยู่มันรู้ได้เลยว่าร่างกายมันทนทุกทรมานยังไงใจของเราแบ่งแบ่งรับแบ่งสู้มันยังไงฮนี่เราก็ดูดูกายดูใจมันเวทนานไม่ใช่ธรรมดามนเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องเป็นเครื่องบ่งบอกนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการนั่งภาวนา นั่งนานไหมนานเท่าที่จะนานได้เพื่อเราจะได้รู้เวทนาคืออะไรคือความเจ็บปวดนะนะกายกับใจใจกับกายกายกับใจใจกับกายออเมันจะได้รู้เลยว่าแยกกันออกเท่านี้เมื่อเรารู้ทั้งรู้กายรู้ใจแล้วเอาใจของเรามาดูล่างกายเท่นี้นั่นแหละนี่นแหล ะ, หละวิธีการแยกแยะนี่แหละวิธีการแต่เริ่มต้นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าวิธีการประพฤติธปฏิบัติ เราต้องตรวจเราต้องตราเราต้องทำให้สม่ำเสมอทําเมื่อมีโอกาสแล้วก็ทำไม่ใช่วอกมาถึงวัดแล้วค่อยมาภาวนาพทุพโทพโธพุทโธพุทโธเอาเข้มงวดกวดขันพอกลับไปแล้วปล่อยป่าละเลยไม่น่าจะถูกนะถูกหลานนะถึงกลับไปบ้านแล้วก็ยังไหว้พระสวดมนต์แต่ถึงไม่ถึงทำให้ขมขเมเข้นเหมือนอยู่ในวัดแต่พยายามทาให้สม่าเสมอ เมือนกับเราปลูกต้นไม้ปลูกปลูกต้นไม้เสร็จแล้วเราปล่อยป่าแล้วเลยหญ้าคุมแล้วก็มาเดชโนใจมันแห้งแล้งเราก็มาเดชโนใจนน่นจนคิดได้ขึ้นมาเมื่อไหร่จะค่อยมาดูโอ้ต้นไม้เราเป็นยังไงเออพอมาใส่ปุ๋ยใส่น้ํารดเข้าไปเพอเพอต้นไม้จะตายเพราะมันมันผดมันมันเกินน้ํามันเกินปุ๋ยมันเกินฮะเอ่อปุ๋ยมันกัดโคนมันอีกต่างหากเพราะมันใส่มากจนเกินไปเพราะนั้น สิ่งเหล่านี้ก็เราต้องพยายามประคับประคองดูแลให้สม่ําเสมอเดี๋ยวก็ต้นไม้มันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะเออถ้าเป็นมะม่วงก็ใหญ่พอใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มันอยู่ในนั้นเองเถนี่มันเหตุมันมีแล้วเรารักษาเหตุของมันแล้วนะเนี่ยมีเหตุขึ้นมาแล้วเรารักษาดีแล้วใส่น้ําใส่ปุ๋ยดอกมันต้นมันก็สมบูรณ์ใบเขียวดกหนา พอถึงเวลามันก็ออกดอกทะผิดดอกออกผลขึ้นมามันออกมาจากไหนดอกมันมันออกมาจากต้นของมันเหมือนกันนี่แหละนี่ก็เหมือนกันเ้าพวกเรานั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบพยายามรักษาเหตุให้ดีรักษาเหตุให้ดีผลผลมันก็ผลิดดอกออกผลมาอีกแบ่งบานขึ้นมาให้พวกเราได้ได้เห็นได้รับผล ผลของมันคื อ, อไร่ผลสมาธิจิตใจของเราได้รับความสงบมีความสุขในระดับสมาธิจากนั้นก็เมื่อจิตใจเป็นสมาธิเป็นพื้นฐานในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ศึกษาังไงเราเดินทางปัญญาพิจารณาทางวิปัสสนาปัญญาเดินยังไงนี่แหละเป็นขั้นตอนต่อไปแล้วสรุปแล้วก็คือพวกเราต้องศึกษา ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาในเมื่อเราได้ศึกษาได้เรียนรู้พยายามใส่ใจเราจะรู้ได้ตั้งแต่เรื่องทานจะทํำยังไงจึงจะได้บุญกุศลมากจะรักษาศีลอย่างไงจึงจะสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยมาให้มีโทษมีความสุขในชุมชนสังคมเหมือนกับรักษากฎกติกาในการเป็นอยู่ศีล ส, สมาธิจะทําจิตใจยังไงจะดูแลยังไงเรื่องสมาธิให้สม่ําเสมอ ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยถ้าพวกเราทำได้อย่างที่หลวงพ่อแ น, นแะนาหรือหลวงพ่อกล่าวอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ศึกษาไปนี่หลวงพ่อคิดว่าพวกเราจะมีความสุขทางด้านจิตใจไปอยู่นักสถานที่ใดอยู่นักสถานที่ใดเมื่ออายุยแก่เท่าชรลาจิตใจของเราก็จะมีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีความสุขขึ้นไปเรื่อย มีความสุขมั่นเชื่อมั่นในตนเองไปอยู่ณสถานที่ใดก็เชื่อมั่นในตนเองค่าทำความดีแล้วใครมันจะตกต่ำก็ให้รู้ไปสิเหมือนกับเราขยันถ้าเราขยันทำมาหาเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องเราใช้สติใช้ปัญญาอยู่ทำอย่างนี้มันขาดทุนทำอย่างนี้มันได้กำไรทำอย่างนี้มันจะเสียหายทำอย่างนี้มันจะดีเราใช้ปัญญารอบครอบอยู่ตรอดไปลเวลาเจ๊งให้มันเจ๊งไปสิ มันเจ้งต่อหน้าต่อตาให้มันเจ้งไปให้มันเชื่อมัน่นอย่างนั้นอ่ะทางว่าเราประพฤติธปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าเราทาดีคิดดีพูดดีทาดีอยู่ตลอดเวลาการกลั่นกองตาแนวแถวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแนะนแล้วก็ฟังทำคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นกระจกเงาพาดำเนินอยู่ตลอดทางด้านจิตใจของเรา เพื่อกายวาจาใจของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าว่าเราปีกออกนอกรูกนอกทางแล้วนั่นแหละความหายาณและความจิบหายที่เข้ามาหาพวกเราได้ไง่ายๆเหมือนกันนะนัะ้นขอฝากไว้กับลูกกับหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกคนนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตของพวกเราก็อย่างที่ว่านะถ้าจะว่าไปหลักของพุทธศาสนาเหมือนเอาความตายมาขู่กันแต่ตามไม่จริงไม่ใช่ เป็นความตายเนใคล้ายๆบอกเอาไว้อย่ตั้งจูดในความประมาทจนเกินไปนะลูกหลานเนอมันไม่ยึงไม่ถึงร้อยปีนะชีวิตของพวกเรานี่ยแต่ไม่ใช่ขู่กันนะเอาความจริงมาบอกให้กันฟังนะอย่าหลงอย่าลืมจนเกินไปบางคนก็หลงลืมหลงลืมในการเป็นอยู่จนเกินไปลืมว่าชีวิตของเราจะยืนยืนยาวนา น, นที่แท้มันไม่ใช่นะลูกหลานเนอร์ศรัทธาญาติายาโยมเนอร์ พระพุทธเจ้าท่านแนะนําสอนอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราต้องฟังฟังฟังด้วยความสึงถึงใจฟังด้วยความซึงใจฟังด้วยความวินิจวิเคราะห์นะทำพวกเราฟังฟังอย่างนั้นแล้วนะพวกเราจะรู้จักสถานะเราควรจะทํำยังไงในยุคนี้สมัยนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้สรุปแล้วก็คือรู้จักกาลเทศะบุคคล สถานที่บุคคลสถานะเราอยู่ในสถานะไหนเราจะปรับตรงปรับตัวปรับกายวาจจใจของเราให้ถูกต้องนะถ้าเรา ร, รู้จักสถานะนะที่สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งรอบข้างของเราแล้วนะรับพรอนะโมธนาให้พร